3. วิปากติกะ 1. ปฏิจวาน 1. ปัจญจานุลม 1. วิพังขวานเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสาอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตะมุทานรูปอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตัตารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้นหะทัยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้น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 ลกตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2. สภ like าวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นและขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุ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 ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 3. สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขั้นหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นละ ขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยกัน2เกิดขึ้นมหาภูตรูป3อาศัยมหาภูตรูป1เกิดขึ้นละมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้ น, จ, น, น จ, จิต ต, มมตสตตมุทฐานารูปและกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบาก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 ขันธ์ที่เป็นวิบากอาศัยหทัยวัตวถุเกิดขึ้นกาตตารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้น 4. ส, สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจไจด้แก่ในปฏิสนธิขณ ะ, ะขันธ์สอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากและหทัยวัตวถุเกิดขึ้นละ ขันสองอาศัยขันสองและหทัยวัตถุกเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุุกปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิตนทิขณะกตาตารูป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 กตตารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตารูปเกิดขึ้น 5. สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปจัจได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตารูปเกิดขึ้นอารมณปัจจัย6 สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธสองเกิดขึ้น 7. สภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบาก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 ได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอารามานปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น 9. สภาวธรรมที่เป็นวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอารามณปัจจัยได้แก่นในปฏิสนทิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและาทายวัตถุกเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองและาทายวัตถุกเกิดขึ้นอธิปฏิปัจจัย 10. สภาวธรรมที่เป็นวิบาก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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะที่ปฏิปัจจัยได้แก่ขันสามได้ 3, จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่ง 1, ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นและขันสอง 2, และจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสอง 2, เกิดขึ้นมหาภูตรูป 3. อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นอานันตรัปัจจัยเป็นต้น 13. สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอานันตรัปปจัย พราะสมนานตระปัจจัยในมึงเล็บปัจจัยนี้เหมือนกับอารามานปัจจัยเพราะสหชาตปัจจัยในมึงเล็บสชาตปัจจัยเหมือนกับเหตุปัจจัยทั้งหมดสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจจัยพระที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐาน ที่มีอุตุเป็นตมุดฐานสําหรับเปล่าอสัญญาสัตตพรมในวงเล็บสหชาตปัจจัยมีข้อต่างกันเท่านี้อัญญามัญญปัจจัยสิบสี่สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอัญญมัญญาปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ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 เพราะอั ญ, ญมัญญปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหาไทยวัตถุกเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองหาไทยวัตถุกเกิดขึ้นนิตยปัจจัยเป็นต้นสิบหสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนิตยปัจจัยในะมือเล็บย่อเพราะป็นิตยปัจจัย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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะอาเสวนปัจจัย 3. ได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นและขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นกรรมมปัจจัยและวิปากปัจจัย18สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะกรรมมปัจจัยในมังเลพยอเพราะวิปากปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะวิปากปัจจัยได้แก่มหาภูตารูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละจิตตสมุทฐานรูปและกตาตารูปที่เป็นอุปาทายารูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้น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 เพระวิคตปัจจัยเพราะอาวิคตปัจจัย 1. ปัจจายานุโลมสอสังขยาบานสุทธนัยีย่สเหตุปัจจัยมี13าวาระอารามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอนันตรปัจจัยมีห้าวาระสมานันตรปัจจัยมีห้าวาระ สหชาติปัจจัยมีสิบสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสัยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสัยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีสิบสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสิบสามวาระ อินทรียปัจจัยมีสิบาวาระชานปัจจัยมีสิบาวาระมัคคปัจจัยมีสิบาวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสิบาวาระอธิปัจจัยมีสิบสาวาระนาฏิปัจจัยมีห้าวาระวิกตปัจจัยมีห้าวาระอวิวกตปัจจัยมีสิบสาวาระเหตุทุกขกันใย21 อารามณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระละอวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระละในวงเล็บพึงนับเหมือนการนับกุสลติกะอาเสวณะทุกกนัย22เหตุุปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสองวาระอารามณปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสองวาระอธิปฏิปัจจัยกับอาเสวณปัจจัยมีสองวาระ อนันตระปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระสมานันตระปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระสหชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนิสียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอุปนิสียปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระปุเรชาตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระ กรมปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอินทรีย์ปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระชารปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระมรคปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอธิปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระนาฏปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระวิกตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระอวิกตปัจจัยกับอาเสวนปัจจัยมีสองวาระละวิปากทุกกนัย 23. เหตุปัจจัยกับวิปากปัจจัยมี9วาระ อารามณปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีห้าวาระอนันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระสมาันตรปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีเก้าวาระ อุปนิสตยปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีเก้าวาระอินทรียปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีเก้าวาระมรรคปัจจัยกับวิปากัปัจจัยมีเก้าวาระ สัมปยุตตะปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตะปัจจัยกับวิปากะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนาิปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสมวาระวิขตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีสมวาระอวิขตตปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีเก้าวาระในวงเล็บย่อการนับอนุโลมจบ สปัจจยะปัจจนียะหนึ่งวิพังควาณนเหตุปัจจยัย24 ส, สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามอาศัยขันธหนึ่งที่เป็นอาเหตุุกะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นและขันธ์สองอาศัยขันธ์สองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็น uka, อาเหตุุกะขันธ์สามอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะในเหตุุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นในเหตุุกะซึ่งเป็นวิบากเกิดขึ้นและขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขนาดที่เป็นนเหตุุกะขันสามและกะตาตารูป อาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นและขันสองและกตัตารูปอาศัยขนันสองเกิดขึ้น 25. สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยได้แก่โมห oh ะที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทอรคตด้วยอุทัจจะอาศัยขันที่ทรคตด้วยวิจิกิจฉาและที่ทรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น สภาวธรรมที er ่ไม mm ่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนะเหตุตุปัจได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นนะเหตุกกะซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นละขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละ มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นจิตตจำุทฐานรูปและกัตตารูปเป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นจมุทฐานที่มีอุตุเป็นจมุทฐานตาหประปรายอาจารย์จตปรพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 ได้แก่ในปฏิตนที่ขนาดที่เป็นอเหตุุกะขันที่เป็นวิบากอาศัยหัยวัตถุเกิดขึ้นกตัตตารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นยี่สิบหกสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ในปฏิตนที่ขนาดที่เป็นอเหตุุกะขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหัยวัตถุเกิดขึ้นและ ขันสองอาศัยขันสองและอาไทวัตถุเกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนะเหตุปัจจัยได้แก่ติดตสมุทนานาลุบอาศัยขันที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นวิบากและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุตุกะกตัตารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 นะอารามณปัจจัย27สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนะอารามณปัจจัยแต่แกจิตตะมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตาตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากเกิดขึ้นหทัยวัตถุอาศัยขันธ์เกิดขึ้น28สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 มหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละจิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเหล่าอสัญญาตตพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนัอธิปฏิปัจจัยในมึงเล็บย่อในมึงเล็บหน้าธิปฏิปัจจัยเหมือนกับสหชาติปัจจัยที่เป็นฝ่ายอนุโลมหน้าอนันตระปัจจัยเป็นต้นสาสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะอนอนันตระปัจจัย เพราะนัสสมานานตรัปัจจัยเพราะนอัญมัญญปัจจัยละจิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสําหรับปล่าอัญัญญจตัพรมกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นในวงเล็บนี้เป็นความต่างกัน เพราะณอัญญามัญญาปัจจัยเพราะณอุปนิเตยปัจจัยในมงเล็บยอ่อนณะปุเรชาตปัจจัย34สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนะปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ อาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากในมึงเล็บย่อสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะณนปะุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตตมุทฐานารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะในมึงเล็บย่อสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก อาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันสามและกัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากเกิดขึ้นละขันสองและกัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัย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 มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นตมุทฐานสำหรับปราวาจารย์ตตพรมอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งละสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนับปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้น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 ได้แก่จิตตสมุทธานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาปูตา ร, รูปเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกะตัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาปูต ร, รูปเกิดขึ้นสภาวระธามที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากอาศัยสภาวระธามที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบาก ไ, ไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเกิดขึดข้นเพราะนปุเรชาตปัจจัยได้แก่ในปฏิสนธิขณะ ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากได้อาไทยวัตถุเกิดขึ้นละขันสองอาศัยขันสองได้ทายวัตถุเกิดขึ้นกตัตตารูปอาศัยขันที่เป็นวิบากและมหาภูตารูปเกิดขึ้น .37 สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนัปุเรชาตปัจจัย ได้แก่ติดตะสมุทฐานารูปอาศัยขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นนะปัจฉาชาตปัจจัยเป็นต้น38สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนาปัจฉาชาตปัจจใจละเพราะนาอาเสวนปัจจัยในเะมืองเล็บยอ่อนะกรรมมปัจจัย39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 อาศัยขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นและอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนวิปากปัจจัย40สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนวิปากปัจจัย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 อาศัยสภาประธานที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนะวิปา ก, กปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเกิดขึ้นละขันสองแด้จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น41สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุดวิบาากอศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนะวิปา ก, กปัจจัย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 ที่มีอุตุเป็นต ม, มุทฐานสาหรับปราวสัญญาตตพรมมหาภูต ร, รูปสามอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งเกิดขึ้นและกตาตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุได้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนะวิปากปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่ ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตรูปเกิดขึ้นณอาหารปัจจัย42สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาจาญย์ตพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตารูปหนึ่งเกิดขึ้นละ กตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นณอินทริยปัจจัย43สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะณนะอินทริยปัจจัยได้แก่ที่เป็นภายนอก ที่มีอาหารเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นละสาหรับเราวสัญยสตัตตพรมรูปชีวิตินทร์สีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนาชาณปัจจัย44สภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนัชานปัจจัย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 อาศัยมหาภูตารูปหนึ่งละนมัคคปัจ <Atlas> จัย <doit> สี่สิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะนมัคคปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นนะอเหตุุกะซึ่งเป็นวิบากมีสามาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนมัคคะปัจจัย ได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นเหตุุกะซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากมีสามบาระสภาวธรรมที่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุ man, cych, ให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะนามขปัจจัยได้แก่ในปฏิตนทิขณนะที่เป็นเหตุุกะอาศัยขันหนึ่งที่เป็นวิบากและทายวัตุมีสามบาระนัดสัมปยุติปัจจัยสี่สิ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 ทีมีอุตุเป็นตมุทฐานสําหรับเปล่าอสัญญาตปพรม ม, มหาภูต ร, รูปสามอาศัย ม, มหาภูต ร, รูปหนึ่งเกิดขึ้นและกะตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัย ม, มหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นโนนติปัจจัยและโนวิกะตะปัจจัย48สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดขึ้นเพราะ โนนัตถิปัจจัยเพราะโนโวิคตาปัจจัย2ปัจจยะปัจจนนยะสองสังขยาวานสุทธนสี4สิบก้าในเหตุปัจจัยมีสิบวาระนะอรน า, จจารนะอจจมามณ ะ, นะะปัจจัยมีห้าวาระนาธิปติปัจจัยมีสิบสามวาระนอนันตรปัจจัยมีห้าวาระ นาสมานันตรปัจจัยมีห้าวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีห้าวาระนอุปนิเตยปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยมีสิบสองวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีสิบสาวาระนอาเสวนปัจจัยมี13าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานปัจจัยมีสองวาระนมัคคปัจจัยมี9วาระนสัมปยุตตปัจจัยมี5วาระนวิปยุตตปัจจัยมีสวาระโนนัตถิปัจจัยมีหวาระโนวิกขตปัจจัยมีหวาระนเหตุทุกไนห้าสินอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสมวาระ หน้าที่ปฏิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระน้อนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระน้สมานันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระน้อัญญามัญญะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระน้อุปนิสติยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสามวาระน้ปุเรชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระน้ปัจฉาชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระ นาอาเสว่นปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระนากรรมมปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาวิปากับปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนาอาหารปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอินทรียะปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชาณปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระนามัคคปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมี9้าวาระ นาสัมปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสองวาระโนนัตถิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสามวาระติกไนหน้าที่ปฏิปัจจัยกับนเหตุตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีสามวาระ นอนันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีสามวาระนสมานันตรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีสามวาระละนกรรมมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระนวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีหนึ่งวาระ นอาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยแล้วน้อารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินตริยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระน้าชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีสาวาระณสามปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีสามวาระ นวิปยุตตาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีสามวาระโนวิกตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและณอารามานปัจจัยมีสามวาระในวงเล็บย่อนเหตุมูลกัณยจบในวงเล็บแม้ในวิปากติกะ นี้ก็พึงนับเหมือนที่นับไปแล้วในกุศลติกะตามแนวแห่งการสาธยายปัจจ尼ยะจบสามปัจจยานุโลมปัจจ尼ยเหตุทุกกันใน5้าสิบเอด็ดหน้าอารามนะปั จ, จัยกับเหตุปัจจัยมีหาวาระหน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี13วาระ นาอันตรปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระนาสมานันตบปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระนาอัญญมัญญปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระนาอุปนิสติยปัจจัยกับเพรุปัจจัยมีห้าวาระนาปุเรชาตปัจจัยกับเพรุปัจจัยมี12วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสิบสาวาระ นาอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระนากรรมปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระนาวิปากปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาสัมปยุตตาปัจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระนาวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระโนนัตถิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระโนวิกตปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีห้าวาระติการไน หน้าที่ปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีห้าวาระนปุเรชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีห้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีห้าวาระณอาเสวนปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีห้าวาระ นักกรรมปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสองวาระนวิปปะกับปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสองวาระนวิปปยุตปัจจัยกับเพรุปัจจัยและอารามณปัจจัยมีสาวาระจตุกไนนปุเรชาตปัจจัยกับเพรุปัจจัยอารามณปัจจัยและอธิปฏิปัจจัยมีสาวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยก kind of ah ับละมีสามวาระนอาเสวนปัจจัยกับละมีสามวาระนกรรมมปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปยุตแตปัจจัยกับละมีสามวาระละนับวัคกนนับปัจฉาชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัย อารามณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตระปัจจัยในมงเล็บย่อปัจจัยที่เป็นมูลและปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระน้าอาเสวนปัจจัยกับละมีสาวาระนกรรมปัจจัยกับละมีสองวาระนวิปากปัจจัยกับละมีสองวาระในมงเล็บย่อพึงนับเหมือนการนับอนุโลมปัจจนิยะในกุศลติกะ อนุโลมปัจจ尼ยะจบ 4. ปัจจะยปัจจ尼ยานุโลมในเหตุตุทุกกไน52อารามานปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหวาระอนันตระปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหวาระสมาันตระปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีหวาระสหชาตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสิบวาระ อัญญามัญญาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเจดวาระนิติยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอุปนิติยปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสมวาระอาเสวนปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสองวาระกัมมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระวิปากปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี9้าวาระ อาหารปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอินตรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระชานปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระมรรคปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระวิปยุตตะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระอัติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระนาตติปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระ วิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีหวาระอวิกตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยมีสิบวาระสติกนัยสหชาตปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและวนะอารามณปัจจัยมีสาวาระอัญญบัญญัติปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและวนะอารามณปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยและวนะอารามณปัจจัยมีสาวาระ กรรมะปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยแล้วนะอารามณปัจจัยมีสามวาระวิปากับปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยแล้วนะอารามณปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยแล้วนะอารามณปัจจัยมีสามวาระอินตริยะปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยแล้วนะอารามณปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยกับนาเหตุตปัจจัยแล้วนะอารามณปัจจัยมีสามวาระ วิปปยุตตะปัจจัยกับในเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีสามบาระอธิปัจจัยกับในเหตุปัจจัยแล้วะอารามณปัจจัยมีสามบาระอวิกตปัจจัยกับในเหตุปัจจัยและณอารามณปัจจัยมีสามบาระละสัตตกนัยสหชาตปัจจัย กับนาเหตุปัจจัยนะอารามณปัจจัยนะอธิปติปัจจัยนะอนันตรปัจจัยนะสมนันตรปัจจัยแล้วนะอัญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับละเหมือนกับสัชาตปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกับละมีสามวาระวิปากปัจจัยกับละมีสามวาระอาหารปัจจัยกับละมีสามวาระ อินทรียปัจจัยกับละมีสามวาระชานปัจจัยกับละมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยกับละมีสามวาระอธิปัจจัยกับละมีสามวาระอวิกระ ป, ปัจจัยกับละมีสามวาระในมงเล็บพึงนับเหมือนในเหตุหมูลกไนในกุศลติกะข้อความนี้พึงให้พิจารณาเหมือนปัจ ปัจจ尼ุโลมในกุตตรติกะปัจจ尼ญาณุโลมจบปฏติจวานจบสามวิปากติกะสองสหชาตวาน 1. นึงปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาลห้าสิบสามสภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะเหตุปัจจัย ได้แก่ขันสามเกิดร่วมกับขันหนึ่งที่เป็นวิบากขันหนึ่งเกิดร่วมกับขันสามขันสองเกิดร่วมกับขันสองในมงเล็บยอ่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังขยาวาน 54. เหตุปัจจัยมี13าวาระละอวิกตาปัจจัยมี13วาระละส ป, ปัจจยปัจจเนยะห้ห สภาวธรรมที่เป็นวิบากเกิดร่วมกับสภาวธรรมที่เป็นวิบากเพราะนะเหตุตุปัจไจด้แก่ขันสามเกิดร่วมกับขันหนึ่งที่เป็ น, นเหตุตุกะซึ่งเป็นวิบากขันหนึ่งเกิดร่วมกับขันสามขันสองเกิดร่วมกับขันสองในมุเล็บย่อ 3. ปัจจญานุโลมปั จ, จนิยะ6้านะอารมนะปั จ, จัจกับเหตุตุปั จ, จมีห้าวาระละ นวิปยุตตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระละสปัจจยปัจจนญญานุโลมห้าบเจอารามณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีห้าวาระละอวิคตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีสิบวาระละสหชาตวานจบ